ตอนบระบุทฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่วิทยุไทย PBS เช่นเคยคะ่ะ www.thaipbsradio.com นะคะวันนี้เป็นตอนที่25ค่ะของเรื่องชีวิตโยคียจากเรื่องจริงของท่านปรมหังษายโยคา น, นันทะนะคะที่ท่านเขียนเอาไว้เป็นอัตาชีวประวัติของท่านเองในหนังสือที่ชื่อว่าอัตาชีวประวัติของโยคีย ขอสมุดหลังใหม่นํามาย่อสรุปแล้วก็เลือกบางช่วงบางตอนเล่าให้คุณได้ฟังแต่จริงๆแล้วคงไม่สามารถเล่าได้หมดทั้งเล่มนะคะเพราะว่าจะมีะรายละเอียดที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวแล้วก็มีบริบทของความเป็นสังคมอินเดียอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ กับหนังสือที่ชื่อว่าอัตตาชีวประวัติของโยคียประมะหังษาโยคานันทะวันนี้ตอนที่25้นะคะจะเป็นอตอนที่สำคัญอีกตอนหนึ่งเพราะว่าจะเป็นตอนที่ท่านครุสียุคเตสวนซึ่งเป็นครูของท่านโยคานันทะละสังขารค่ะเป็นวันเวลาช่วงสุดท้ายที่ท่านโยคานันทะได้มีกับอาจารย์ที่เคารพรักอย่างยิ่ง เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจค่ะซึ่งจะทำให้เราได้เห็นว่าในวิถีชีวิตของโยคีนั้นวิถีการศึกษายังคงไปยังคงเป็นแบบโบราณนั่นก็คือว่ามีความรักและก็มีความผูกพันระหว่างครูกับสิทธิ์อย่างลึกซึ้งอาจารย์จะสั่งสอนสิทธิ์เรากับเป็นลูกเป็นหลาน เป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างไปจากความสัมพันธ์ของครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ในระบบการศึกษาปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของท่านครุสียุคเตสวนกับท่านโยคานันทะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นลึกซึ้งแล้วก็งดงามวันนี้ลองมาฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้นะคะกับตอนที่25 กับบทที่ชื่อว่าวันเวลาช่วงสุดท้ายกับอาจารย์ชีวิตโยคีค่ะ วันหนึ่งท่านโยคานันทะเพิ่งจะมาถึงอาสมที่เซรัมปอหอบผลไม้แล้วก็กุหลาบมาเต็มสองมือเห็นอาจารย์ครุศยุคเตสวนนั่งอยู่คนเดียวท่านก็ดีใจแล้วก็บอกว่ามีเรื่องจะถามมีอะไรจะถามครูหรืออาจารย์ขอรับกระผมมาอยู่กับท่านตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยม ตอนนี้กระผมก็โตเป็นผู้ใหญ่ผมสองสีเส้นสองเส้นแล้วด้วยซ้ำนับแต่แรกเริ่มจนถึงบัดนี้อาจารย์รักใคร่เมตตา ก, กระผมอยู่ในใจมาโดยตลอดแต่อาจารย์รู้บ้างไหมขอรับว่ามีวันแรกที่เราได้พบกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่อาจารย์เคยบอกว่าครูรักเธอท่านอยู่คานันทะก็มองท่านอาจารย์ด้วยสายตาวิงวอน ในขณะที่ท่านสียุคเตสวนหลุบตาลงต่ำโยคานันทะเธอต้องขาดขันให้ครูบอกความรู้สึกอบอุ่นที่ควรจะเก็บรักษาไว้ในหัวใจอันไร้คําปั้นแต่งออกมาให้โลกอันเย็นเยือกประจักษ์ให้ได้หรืออย่างไร mm. อาจารย์ขอรับกระผมรู้ว่าท่านรักกระผมแต่หูของมนุษย์ปูชุชนอย่างกระผมก็ร่าร้องอยากจะได้ยินท่านบอกออกจากปากบ้างนะขอรับ ครูจะไม่ขัดใจเธอตอนที่ครูแต่งงานมีครอบครัวครูหวังอยากจะได้ลูกชายอยู่เสมอลูกชายที่ครูจะอบรมสั่งสอนให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งโยคาวาจรและเมื่อเธอก้าวเข้ามาในชีวิตครูครูก็เป็นสุขนักรู้สึกเหมือนเธอเป็นลูกในไส้ของครูจริงๆโยคานันทะครูรักเธอเสมอมา น้ำใสๆขังครออยู่ในดวงตาทั้งคู่ของท่านสียุคเตสวนเหมือนมีของหนักๆที่กดทับหัวใจได้ถูกยกออกและมาลายหายไปตลอดการด้วยคำพูดนี้ของท่านสียุคเตสวนทานโยคานันทะมีความสุขมากคำตอบของอาจารย์ เหมือนหนังสือเบิกทางสู่สวรรค์สำหรับกระผมท่านรู้ดีว่าอาจารย์สียุคเตส่วนนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงความรู้สึกสงวนปากคำแต่ถึงกระนั้นท่านโยคานันทะก็นึกสงสัยในความนิ่งเงียบของท่านอยู่บ่อยๆ วันนี้ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ท่านโยคานันทะรู้สึกโล่งใจอิ่มใจแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เคยสงสยัยจริงๆก็คงไม่ได้สงสัยมากสักเท่าไหร่นะคะแต่เหมือนกับว่าอยากจะได้ยินคํายืนยันให้ชุ่มชื่นหัวใจจากนั้นถัดมาไม่กี่วันค่ะท่านโยคานันทะก็ได้ไปบรรยาย ที่อัลเบิร์ตฮอลล์ในกาละกาตาซึ่งอาจารย์ศรียุคเตสวรก็เมตายอมขึ้นไปนั่งอยู่บนเวทีร่วมกับมหาราชาแห่งสันทศและนายกเทศมนตรีแห่งกาละกาตาแม้ว่าท่านอาจารย์ศรียุคเตสวนจะไม่ได้พูดอะไรกับท่านโยคานันทะแม้ซักคำเดียวแต่ระหว่างการบรรยายเมื่อท่านโยคานันทะเหลือไปมองอาจารย์เป็นพักๆ ก, ก็เห็นท่านมีทีท่าพออกพอใจ นอกจากนี้ท่านโยคานันทะยังต้องไปพูดให้บรรดาสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยเซรัมปอฟังด้วยได้เจอกับบรรดาเพื่อนร่วมชั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกท่านโยคานันทะว่านักบวชบ้องได้เจอกับดรโคสารอาจารย์สอนวิชาปรัชญาที่เคยมีเรื่องปีนเกลียวขัดแย้งกัน แต่บัดนี้ความเข้าใจผิดที่เคยมีต่อกันก็ได้จางหายไปตามความพันแปรแห่งกาลเวลาปลายเดือนธันวาคมอาสมที่เซรอมปอมีเทศกาลเฉลิมฉลองวันเฮมายันลูกศิษย์ลูกหาของท่านสียุคเตสวนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต่างมารวมตัวกันเหมือนเช่นเคยมีการร่วมกินอาหาร ที่สิทธิ์รุ่นยาวนำมาบริการอาจารย์ศรียุคเตสวนแสดงทำอันลึกซึ้งจับใจภายใต้หมู่ดาวพราวฟ้าที่กลางลานอาสมอันแน่นขนัดไปด้วยผู้คนหลังจากที่แขเกเรือ ก, กลับกันไปหมดแล้วอาจารย์ศรียุคเตสวน ก็เรียกท่านโยคานันทะเข้าไปในห้องนอนแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ช่วยกลับมาที่นี่อีกทีเอนะครูมีธุระสาคัญจะคุยกับเธอบลายวันถัดมาอาจารย์ประสัทพรให้กับท่านโยคานันทะอย่างเรียบง่ายและเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านขึ้นเป็นปรมาหังษานับจากนี้ เธอจะต้องใช้สมณศักดิ์นี้แทนสวามีที่ใช้มาแต่เดิมประมะแปลว่าสูงสุดหังสาแปลว่าหงส์เทวตํานานของทางอินเดียถือว่าหงส์ขาวคือพาหนะของพระพรหมผู้สร้างโลกกล่าวกันว่าหงส์ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้มีอํานาจที่จะแยกนมออกมาจากส่วนผสมของนมและน้ำได้จึงถือเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนการแยกแยะทางจิตวิญญาณ ตอนนี้ภาระหน้าที่ของครูบนโลกนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเธอต้องสารงานต่ออาจารย์สียุคเตสวนบอกท่านโยคานันทะด้วยน้ำเสียงราบเบียบดวงตาท่านสงบและอ่อนโยนในขณะที่ใจของท่านโยคานันทะเต้น ร, รวัวด้วยความหวาดกลัวช่วยส่งใครสักคนไปดูแลอาสมของเราที่ปุรี ครูทิ้งทุกอย่างเอาไว้ในความรับผิดชอบของเธอเธอจะสามารถนำพานาวาชีวิตของตนเองและขององค์กรไปถึงฝากฝังแห่งพระเป็นเจ้าได้อย่างแน่นอนท่านโยคานันทะกอดเท้าของท่านสียุคเตสวนทั้งน้ำตาท่านลุกขึ้นและประสาทพรให้กับลูกศิษย์ด้วยความรัก ข้าพเจ้าเป็นสุขอยู่ภายใต้ความเมตตารักใคร่ของอาจารย์วันแล้ววันเล่าแม้ท่านจะไม่ปริปากว่ากะไรแต่ข้าพเจ้าก็รับรู้ได้ด้วยใจด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสลัดถ้อยคำที่ท่านบอกเป็นในยะว่าวาระสุดท้ายของท่านใกล้เข้ามาแล้วออกไปเสียจากจิตสานึก อาจารย์ขอรับเดือนนี้จะมีงานกุมพะเมลาที่เมืองอัลลาฮับาดเธออยากไปหรือครั้งหนึ่งอาจารย์เคยได้พบท่านบาบาจีในงานกุมพเมลาไม่แน่นะขอรับครั้งนี้กระผมอาจจะมีวาสนาได้พบท่านบ้างก็เป็นได้แต่ครูไม่คิดว่าเธอจะได้พบทันทีนั้น mm hmm. เข้าไปเจ้าไม่เฉลียวใจเลยว่าอาจารย์ไม่อยากให้เข้าไปเจ้าจากท่านไป วันรุ่งขึ้นเมื่อข้าพเจ้าจะนำคณะเล็กๆออกเดินทางไปยังอัลลาฮบาดอาจารย์ก็ให้ผ่อนข้าพเจ้าเงียบๆตามปกติวิสัยของท่านเห็นได้ชัดว่าที่ข้าพเจ้ามิได้สำเนียกถึงนัยแฝงในทีท่าของอาจารย์เป็นเพราะพระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์จะช่วยให้ข้าพเจ้าไม่ต้องเฝ้าดูอาจารย์จากไป โดยขัดขืนอันใดไม่ได้ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยได้ดูใจบุคคลอันเป็นที่รักในยามที่พวกเขาตายจากเลยเพราะเป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาดลนบรนดาลให้ข้าพเจ้าอยู่ไกลจากเหตุการณ์นั้นๆเสมอมา สำหรับงานกลุ่มพเมลานะคะมีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยหมุนเวียนกันไประหว่างเมืองฮร์ธวานเมืองอลาฮาบาดเมืองนาสิกแล้วก็เมืองอุ ช, ชยัยตามลำดับค่ะเป็นงานที่มีความสำคัญและก็เป็นงานใหญ่นะคะ คณะของท่านโยคานันทะมาถึงงานกุมพะเมลาในวันที่23มกราคมคริสต์ศักราษ1936มีผู้คนมาร่วมงานเกือบเกือบ2ล้านคนชาวอินเดียมีลักษณะพิเศษอยู่ประการหนึ่งนั่นคือความเคารพต่อพระคุณของพระเป็นเจ้ารวมไปถึงนักบวชและสาธุ ผู้ละทิ้งความผูกพันในทางโลกออกสแสวงหาหลักยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณธรรมชาติดังกล่าวมีอยู่ในตัวชาวอินเดียทุกคนไม่เว้นแม้แต่ชาวไร่ชาวนาผู้มีฐานะต่ำต้อยที่สุดนักบวชกรรมลอกับพวกนักต้มตุนมีอยู่จริงๆแต่อินเดียก็ให้ความเคารพทั้งหมดเพื่อเห็นแก่โยคีแทะเพียงไม่กี่คนที่ยังความสว่างสวยให้กับดินแดนแห่งนี้ด้วยบุญบา ร, รมีอันสูงส่ง วันแรกคณะของเราได้แต่เดินจ้องดูนั่นดูนี่เพียงถ่ายเดียวทั้งผู้สแสวงบุญหลายพันคนที่พากันลงอาบน้ำในแม่พระคงคาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อล้างบาปเหล่าพระมนาจารย์ที่ตั้งมั่นอยู่กับการประกอบพิธีพรีกรรมเครื่องบูชาที่ผู้คนโปรยลงตรงแทบเท้าของสัญญาสีผู้นิ่งเงียบขบวนช้าง ขบวนม้าในเครื่องอา่านและขบวนอูดจากแคว้นราชปุตตะค่อยๆเหยาะย่างผ่านไปเป็นทิวแถวตามมาด้วยขบวนของสาธุผู้เปรยกายโบกคทาเงินคทาทองหรือสายแพรกรรมยี่ไม้ในมือไปมานับเป็นขบวนแห่ทางศาสนาที่ดูแปลกตายิ่งพวกฤาษีที่นุ่งแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวจะนั่งกันอยู่เงียบๆ เ, เป็นกลุ่มเล็ก ร่างกายถูถาด้วยขี้เท่าที่ช่วยป้องกันความร้อนหนาวให้บนหน้าผากป้ายกระจะจันไว้เด่นชัดตรงตำแหน่งตาธ ร, รมพวกสวามีที่โกนผมบนศีรษะทิ้งก็มีอยู่เป็นเรือนพันผมผ้ากาสายะสีน้ำตาลอมแดงในมือถือไม่เท้าไม่ไผ่กับบ า, ขาดขณะเดินไปมาหรือตั้งขอปุจฉาวิสัชนากับประดาสานุสิตดวงหน้าของท่าน ใช้ประกายแห่งความสงบเยี่ยงภูสระแล้วซึ่งทางโลกใ ต, ต่ต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณงานจะเห็นภาพอันงดงามของบรรดาสาธุนั่งล้อมกองไฟใหญ่ผมขมวดรวมเป็นเปียเส้นใหญ่แล้วก็มุ่นมวยเอาไว้กลางกระหม่อมบางท่านก็มีหนวดคราวยาวหลายฟุตจนต้องม้วนมัดรวมกันไว้เป็นปม พวกท่านเข้าสมาธิกันอยู่เงียบๆหรือไม่ก็ยกมือขึ้นประสาทพรให้กับผู้คนที่ผ่านไปมางานนี้มีทั้งขอทานไปจนกระทั่งถึงมหาราชาบนช้างทรงงานนี้เป็นงานที่ผู้คนทุกผู้ทุกนามต่างพากันมาร่วมงานด้วยความปลื่มปิติ วันที่สองของงานเมลาทันโยคานันทะได้แวะไปตามอาสมและกระท่อมที่ปลูกสร้างขึ้นชั่วคราวหลายแห่งและก็ได้พบกับนักบวชหลายท่านซึ่งมีวัดปฏิบัติที่น่าทึ่งหลายอย่างเช่นนักบวชท่านหนึ่ง เป็นนักบวชร่างผอมบางเคร่งในวัดปฏิบัติท่านไม่พูดกับใครแล้วก็ฉันแต่ผลไม้เป็นอาหารมานานถึงเก้าปีมีนามว่าประจันจักษุท่านตาบอดนั่งอยู่บนยกพื้นในอาสมมีความรอบรู้ในคำพีต่างต่างอย่างลึกซึ้ง ได้รับความเคารพนับถือจากทุกสำนักนิกายเป็นอย่างสูงกินตะผลไม้ตาบอดแล้วก็ไม่พูดกับใครหรือว่าท่านสวามีกิศนานันทะท่านนี้เป็นนักบวชหนุ่มรูปงามแก้มีเลือดฝาด่ากกว้างพึงพาย แล้วก็มีสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นสิงโตตัวเมียที่เชื่องมากนางสิงปฏิเสธเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือเป็นสิงโตมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์กินข้าวกับนมแทนท่านสวามีผู้นี้ยังสอนให้นางสิงตัวนี้เนี่ยนะคะคำรามอยู่ในคอเป็นคําว่าโอมได้ด้วยซ้ำไป ในหนังสือนี้มีภาพด้วยนะคะภาพที่นางสิงตัวเมียเนี่ยหมอบอยู่แทบเท้าของท่านสวามีกิศนานันทะนะคะน่ากลัวมากแต่ดูจากท่าทีก็ไม่ต่างอะไรกับแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเป็นแมวมังสวิรัตอีกต่างหากแล้วก็คำรามเป็นเสียงโอมได้ด้วยซ้ำ นอกจากนี้คณะของท่านโยคานันทะยังได้ไปเจอกับนักบวชอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านนี้มีภาพคลุมกายเพียงหนึ่งเดียวซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวของท่านด้วยท่านนี้ก็น่าอัศจรรย์และก็น่าสนใจค่ะ ว่าเดี๋ยวกลับมาฟังในช่วงหน้าละกันนะคะกับการท่องงานกุมพเมลาของท่านโยคานันทะและคณะที่มีโอกาสได้พบเจอกับนักบวชชาวฮินดูหลายท่านที่มีความพิเศษมีความแปลกมีความมหัศจรรย์แตกต่างกันไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะกับนักบวชท่านนี้ นักบวชที่ชื่อว่าท่านการปาตริเป็นสาธุนุม่มผู้ร่อนเรไร้หลักแหล่งแต่ฉลาดปราดเปรื่องจนเป็นที่เลื่องลือแล้วก็มีเพียงผ้าคลุมกายเพียงผืนเดียวเป็นสมบัติช่วงหน้าค่ะ เราตามท่านโยคานันทะนะคะไปในงานกลุ่มพะเมลาแล้วก็ไปพบกับนักบวชนักบวชหลายท่านที่มีความพิเศษมหัศจรรย์อย่างท่านการปาตริสาธุหนุ่มผู้ร่อนเร่ไร้หลักแหล่งแต่ว่าฉลาดปราดเปรืองจนเป็นที่เลื่องลือท่านนี้ ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่บนกองฟางมีผ้าคลุมกายเพียงหนึ่งเดียวท่านอยู่ในกระท่อมธรรมดารรมดาที่ปลูกขึ้นเป็นที่พักพิงชั่วคราวหลังหนึ่งท่านโยคานันทะและคณะก็มุดเข้าไปในกระท่อมได้ครบทั้งสี่คนแล้วก็ครานเข้าไปกราบเท้าท่าน ข้างในก็มีตะเกียงน้ำมันกา๊าซท่านบรรยายบอกว่าใบหน้าของท่านโดยเฉพาะดวงตาและฟันอันเรียงเป็นประเบียบเปรียบงามเปล่งประกายสะท้อนกับแสงไฟถึงผมจะไม่เข้าใจภาษาฮินดีแต่อากับกิริยาของท่านก็เผยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความกระตือรือร้อน เปลี่ยมไปด้วยความรักและมีจิตวิญญาณอันสูงส่งความยิ่งใหญ่ของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้มาพบคือท่านาสาธุหนุ่มผู้นี้เนี่ยนะคะท่านบอกว่า ท่านไม่ต้องคอยมานั่งกังวลเรื่องเสื้อผ้าไม่วุ่นวายเรื่องอาหารการกินไม่ขออาหารจากใครไม่แต่ต้องอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งวันเว้นวันไม่หอบบาทแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองไม่สะสมข้าวของแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางไม่เคยขึ้นรถลงเรือจะไปไหนก็เดินไปแล้วก็ไม่เคยเดินคือไม่เคยอยู่ที่ไหนนานเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดความยึดติดหรือว่าผูกพันใดๆโอโ้โหคือขนาดนี้เลยนะคะคท่านโย ทันโยคานันทะก็ได้ถามนักบวชท่านนี้นะคะว่าท่านไม่มีเสื้อผ้าชุดอื่นเอาไว้เปลี่ยนตอนหน้าหนาวเลยหรือขอรับไม่มีรอกเท่านี้ที่มีอยู่ก็นับว่าพอแล้วท่านพกตำราเล่มใดติดตัวบ้างหรือไม่ขอรับไม่พกเลยสักเล่มกระผมสอนคนที่ต้องการฟังธรรมจากกระผมด้วยสิ่งที่อยู่ในหัวนี่แหละท่านทําอะไรอย่างอื่นอีกบ้างขอรับ ก็ตัเว้นไปตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาเลาะไปเรื่อยๆแล้วขอรับท่านโยคานันท์าบอกว่าได้ยินคำพูดอันเรียบง่ายเหล่านี้แล้วท่านก็เกิดความหวยหาต่อชีวิตอันเรียบง่ายทันทีแต่พอนึกถึงอเมริกาและภาระหน้าที่ทั้งหลายที่แบกรับเอาไว้เต็มสองบาท่านก็ต้องบอกกับตัวเองว่า ไม่ได้ไม่สามารถที่จะทาอย่างที่ใจปรารถนาได้และท่านก็ถามสาธุคนนี้อีกว่าธรรมะที่อธิบายอยู่นี้เนี่ยไดมาจากความรู้ในคัมภีร์หรือจากประสบการณ์ทางจิตท่านสาธุผู้นี้ก็บอกว่าอย่างละครึ่งคือได้มาจากที่เรียนในคัมภีร์ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่ง ได้มาจากประสบการณ์จริงนี่เป็นนักบวชอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านโยคานันทะได้มีโอกาสพบเจอในงานกุมภเมลาซึ่งจะเป็นงานที่มีบรรดานักบวชต่างเนี่มาร่วมงานกันอย่างคับข้าง ท่านโยคานันทะกับคณะเที่ยวชมงานเมลาต่ออีกสองวันจากนั้นก็เลาะริมฝั่งน้ำยมุนาไปยังเมืองอัคระทางตะวันตกเฉียงเหนือเมืองนี้เป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลนะคะและหลังจากนั้นก็ไปเจอกับท่านสวามีเกสพานันทะ ซึ่งท่านสวามีเกสพานันทานี่แหละค่ะก็ได้บอกว่าเมื่อปีที่แล้วท่านมีโอกาสได้พบกับท่านบาบาจีผู้ที่ผู้ที่ท่านโยคานันทะประทานจะพบเนี่ยค่ะแล้วท่านบาบาจีเนี่ยก็ได้ฝากข้อความมาถึงท่านโยคานันทะว่ายัางไม่สามารถที่จะมาเจอตอนนี้ได้แต่ว่าจะมาพบ ในวาระอื่นคือฝากข้อความกับท่านเกสพานันทะแล้วก็บอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าท่านโยคานันทะเนี่ยจะมาเยี่ยมท่านเกสพานันทะแต่ว่าท่านโยคานันทะจะมีธุระยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องของอาจารย์แล้วก็สารุสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของท่านลาฮิริ แล้วก็บอกว่าเมื่อเข้ามาหาเจ้าจงบอกเขาว่าเราจะยังไม่มาพบกับเขาในครั้งนี้อย่างที่เขาหวังเอาไว้แต่เราจะมาพบกับเขาในวาระอื่นท่านโยคานันทาได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้นไม่รู้สึกเสียใจ ที่ท่านบาบาจีไม่มาปรากฏตัวที่งานกลุ่มพระเมลาอีกและที่สำคัญนะคะเป็นไปเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ศรียุคเตส่วนได้เคยบอกเป็นในเอาไว้ก่อนหน้านั้นว่าในงานนี้เนี่ยท่านโยคานันทะจะไม่ได้พบท่านบาบาจีหลังจากนั้นนะคะ คณะของท่านโยคานันทาก็กลับมาถึงกลกาตตาเขาพระเจ้าอยากพบอาจารย์เป็นที่สุดแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ข่าวว่าท่านออกจากเซรอมปอไปพักอยู่ที่ปูรีซึ่งอยู่ถัดไปทางใต้ราวสามร้อยไมล์เสียแล้วจากนั้นก็มีสิทธิ์ร่วมสำนักคนหนึ่ง ส่งโทรเลขมาถึงสิทธ์อีกคนหนึ่งคือสิทธ์คนนั้นเนี่ยอยู่ที่ปุรีส่งโทลเลขมาถึงสิทธ์อีกคนหนึ่งที่กา ล, ลกาตาว่ารีบมาที่อาสมปุรีทันทีพอท่านโยคานันทะรู้ข่าวนี้ท่านก็ใจคอไม่ดีเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านศียุคเตสวน แต่เมื่อท่านจะออกจากบ้านไปขึ้นรถไฟเพื่อจะไปที่ปูรีท่านก็ได้ยินเสียงทิพดังขึ้นในจิตของตนว่าจงอย่าไปปูรีในคืนนี้คําสวดอ้อนวอนของเจ้าจะไม่มีวันได้สมหวังข้าพเจ้ายอมเชื่อฟังจึงไม่ออกเดินทางไปปูรีในคืนนั้นรอจนข้ามวันถัดมาจึงได้จับรถไฟไป ระหว่างทางตอนหนึ่งทุ่มจูๆ่ๆเบื้องบนก็ส่งเมฆดำมาปกคลุมท้องฟ้าจนมืดไปหมดภายหลังมือรถไฟออกวิ่งไปยังปูรีเข้าระเจ้าก็ได้นิมิตเห็นเป็นท่านอาจารย์สียุคเตสวนปรากฏขึ้นตรงหน้าท่านกำลังนั่งอยู่ใบหน้าเคร่งขรึมนักทั้งยังมีแสงสว่างวาบอยู่ทั้งสองข้างทุกอย่างจบสิ้นแล้วหรือขอรับ ข้าวเจ้ายกมือทั้งสองขึ้นอย่างวิงวอนท่านพยักหน้าแล้วเลือนหายไปชา้าๆเมื่อถึงสถานีรถไฟเมืองปูรีเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีชายคนหนึ่งที่ท่านโยคา น, านันทะไม่รู้จักเดินตรงเข้ามาหาแล้วก็ถามว่า ท่านรู้หรื อ, อยังครับว่าอาจารย์ของท่านสิ้นแล้วถามเสร็จก็เดินจากไปซึ่งท่านโยคานันทะก็ไม่เคยได้รู้เลยว่าชายผู้นั้นเป็นใครหรือรู้ได้อย่างไรว่าจะหาท่านพบได้ที่ไหนแต่คำพูดประโยคนี้ก็ทาให้ท่านโยคานันทะถึงกับผูอื้อไปชั่วขณะส่วนเซไปพิงผนังชานชาลา รู้อยู่แก่ใจว่านี่เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่อาจารย์ใช้ส่งข่าวมายัางท่านพอไปถึงอาสมที่ปูรีท่านก็พยายามตั้งสติเมื่อเข้าไปยังห้องภายในอาสมก็เห็นร่างของอาจารย์สียุคเตสวนนั่งอยู่ในค่าขัดสมาธิเพชรดูแข็งแรงและสง่างาม เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่อาจารย์จะละสังขารไม่กี่วันท่านไม่สบายแล้วก็มีไข้เล็กน้อยแต่ก็หายดีเป็นปกติทุกอย่างก่อนวันที่ท่านจะละสังขาร น, นั้นไม่ว่าจะดูสักกี่ครั้งก็มองไม่ออกมองไม่ออกว่าท่านได้จากไปแล้วจริงๆ ผิวของท่านยังลื่นนุ่มใบหน้าฉายประกายแห่งสารติและความสุขทันละสังขา น, นี้ไปโดยมีสติระลึกรู้อยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์วันที่สิบมีนาคมท่านโยคานันทะประกอบพิธีทางศาสนาให้กับอาจารย์สียุคเตสวนเชิญร่างของท่านไปฝังตามพิธีกรรมโบราณ เยี่ยงสวามีทั้งหลายในสวนของอาสมที่เมืองปุรีสานุสิทธิ์จากทั่วทุกสารทิศทั้งใกล้และไกลต่างมุ่งหน้ามาร่วมพิธีทาบุญถึงท่านหนังสือพิมพ์อเมริกาบาซ่าปาติก้าของเมืองกาลกาตาก็นำภาพท่านไปลงแล้วก็ตีพิมพ์ข่าวว่า มีการจัดพิธีพันธาระถวายแด่ท่านสีมัทสวามีสียุคเตสวนคีรีมหาราชผู้ล่วงลับสิริรวมอายุ81เอดปีที่เมืองปูรีเมื่อวันที่21็ดมีนาคมมีสานุศสิษธิ์ของท่านมาร่วมพิธีที่เมืองปูรีเป็นจำนวนมาก นี่เป็นส่วนหนึ่งของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีการกล่าวว่าท่านสียุคเตสวนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของโลกตะวันตกและตะวันออกอย่างลึกซึง้งและยังคงเป็นจุดเปลี่ยนแห่งการเรียนรู้และเปิดโลกกัศน์ในการสร้างเสริมเอกภาพขึ้นระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกโดยเหตุที่เชื่อว่า ศา ส, สนาต่างๆมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันท่านสียุคเตสวนก่อตั้งสาธุสภาหรือว่าสมาคมสาธุขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำของสำนักนิกายศาสนาต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังจิตวิญญาณอันเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นในแวดวงศาสนาและก่อนสิ้นบุญ ท่านได้ตั้งท่านสวามีโยคานันทะผู้เป็นทายาทขึ้นดำรงตำแหน่งประธานของสาธสภาตอนท้ายของข่าวนี้บอกว่าการจากไปของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เช่นดังท่านทำให้อินเดียแร้นแค้นลงขอให้เราทั้งหลายผู้มีวาสนาดีพอที่ได้เข้าใกล้ท่านจงได้รับการปลูก ฝ, ฝังจิตวิ ญ, ญญาณที่แท้จริงของวัฒนธรรมและสาสนาของอินเดียให้งอกงามขึ้นในใจตน ดุจเดียวกับที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นเยี่ยงอย่างกับเรามาโดยตลอดด้วยเถินข้าพเจ้าย้อนกลับมาที่กัละกาตาด้วยอย่างไม่ไว้ใจตนเองไม่กล้ากลับไปยังอาสมที่เซรัมปอ ซึ่งหลักล้นไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับตัวอาจารย์ผู้เป็นที่เธอถูดบูชาของตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจึงเรียกประฟุลลาสิทธิรุ่นเล็กของท่านที่เซรามปอให้มาหาและจัดแจงให้เขาเข้าเรียนอย่างโรงเรียนที่รานจีประฟุลลากราเล่าให้ฟังว่าเช้าวันที่ท่านโยคานันทะออกเดินทางไปร่วมงานกลุ่มพเมลาที่เมืองอัลลาฮาบาดนั้น อาจารย์ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้นุ่มแล้วก็รำพันว่าโยคานันทะไปแล้วโยคานันทะไปเสียแล้วฉันจะต้องหาทางบอกเขาด้วยวิธีอื่นแล้วท่านอาจารย์ก็นั่งเงียบอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันเวลาที่เหลือของท่านโยคานันทะหมดไปกับการแสดงปาทกระถ า, าบรรยายตามชั้นเรียนให้สัมภาษณ์แล้วก็พบปะกับเพื่อนฝูงเก่า ดดท่านก็ร่ำร้องอยู่ในใจว่าบัดนี้อาจารย์สียุคเตสวนจากไปอยู่แห่งหลนใดแล้วเราจะไม่มีวันได้เห็นท่านในตึกเก่าที่เซรามปออีกแล้วเราจะไม่ได้พาเพื่อนๆืนมากราบคารวะท่านอีกจะบอกพวกเขาอย่างภาคภูมิว่าดูสิที่นั่งอยู่นั่น คือองค์ยานาวตารแห่งอินเดียก็ไม่ได้อีกเหมือนกันท่านจะเปร่งรัศมีอันเบืองรองอยู่ในอาณาจักรอันอยู่พ้นอำนาจแห่งความตายไปชั่วการ แต่แล้วขณะที่ท่านโยคานันทะนั่งอยู่บนเตียงที่ห้องพักของโรงแรมในบอมเบตอนบ่ายสามของวันที่สิบก้ามิถุนายนจูๆ่ๆก็ถูกกระตุ้นให้ถอนจิตออกจากสมาธิด้วยแสงอันพร่างพรายเมื่อลืมตาขึ้นมองด้วยความพิศวงก็เห็นห้องทั้งห้องเปลี่ยนไปเป็นโลกอันน่าอัศจรรย์ แสงตะวันที่สองลอดเข้ามาเปลี่ยนเป็นรัศมีอันโอภาษจากสวงสวรรค์และท่ากลางกระแสแสงที่งดงามเหล่านั้นธนญคานันทะก็มองเห็นร่างที่สมบูรณ์ไปด้วยเลือดเนื้อของท่านครุสียุคเตส่วนลูกเอ๋ย ท่านโยคานันทะถึงกับจู่โจมเขาใช้สองแขนสวมกอดร่างของท่านสี่ยุคเตสวนเอาไว้โดยไม่รังรอนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ท่านไม่ได้คุกเข่าลงคารวะอาจารย์ที่แทบเท้าตามปกติแต่ตรงเข้าสวมกอดเลยชั่วขณะจิตนี้คือที่สุดแล้วของช่วงเวลาแห่งชีวิต <บ> <PTSD> ความปวดร้าวที There, ่สุ่มอยู่ในใจตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแทบจะไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับความปิติที่โถมถังเข้ามาอาจารย์ขอรับเหตุใดท่านจึงทิ้งกระผมไปทําไมอาจารย์จึงปล่อยให้กระผมไปงานกุมพะเมลาเล่าขอรับกระผมรู้สึกผิดเหลือเกินได้แต่กล่นด่าตัวเองที่ทิ้งอาจารย์ไปอย่างนั้นครูไม่อยากขัดใจเธอ เห็นเธอเป็นสุขนักกับการวาดหวังที่จะได้เห็นที่แสวงบุญตรงที่ครูได้พบกับท่านบาบาจีเป็นครั้งแรกครูจากเธอไปเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ก็กลับมาหาเธอแล้วไม่ใช่หรือแต่ว่านี่อาจารย์จริงๆหรือขอรับร่างของท่านตอนนี้เป็นเหมือนร่างที่กระผมฝังไว้ภายใต้ผืนทรายของเมืองปูรีหรือเปล่าคอรับถูกแล้วลูกเอ้ย ครูยังเหมือนเดิมทุกอย่างร่างนี้ยังมีเลือดมีเนื้อถึงครูจะมองว่ามันเป็นเพียงอากาศาธาตุแต่ในสายตาของเธอมันคือกายเนื้อเราดีๆนี่เองครูดึงเอาอนูในจักรวาลมาสร้างกายนี้ขึ้นใหม่ทั้งหมดให้เหมือนกันทุกประการกับกายหยาบในโลกที่รังสัรค์ขึ้นด้วยทิพยสุบินแห่งพระเป็นเจ้า กายเดียวกับที่เธอฝังไว้ใต้ผืนทรายที่เป็นเพียงความฝันครูฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ในโลกนี้แต่เป็นโลกทิพย์แห่งหนึ่งประชากรที่นั่นสามารถพัฒนาตนให้เบรรลุถึงมาตรฐานอันสูงลิ้วของครูได้เหนือกว่าผู้คนบนมนุษยโลกวันหนึ่งข้างหน้าตัวเธอและบรรดาผู้ที่เธอรัก ผู้ที่ยังจิตของตนให้เจริญงอกงามดีแล้วย่อมจะได้ขึ้นไปอยู่กับครูบนนั้นอาจารย์เล่าต่ออีกสิครับอาจารย์หลุดเสียงหัวเราะออกมาอย่างเบิกบานขอทีเถิดลูกเอ้ยช่วยคลายแขนที่กอดครูไว้ออกสักนิดจะได้ไหมนิดเดียวเท่านั้นนะครับ ข้าพเจ้ากอดท่านไว้แน่นเรากับหนวดประมึกยักษ์จะมูกได้กลิ่นหอมอ่อนๆกำจายออกมาจากร่างของท่านเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาทุกครั้งที่หวนนึกถึงช่วงเวลาอันแสนวิเศษในครั้งนั้นสองแขนและสองมือของข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นยินดีที่ได้สัมผัสกายทิพย์อันสมบูรณ์ด้วยเลือดเนื้อของท่าน จากนั้นท่านสียุคเตสวนก็เล่าบอกว่าตัวท่านเองได้รับบัญชาจากพระเป็นเจ้าให้ไปช่วยดวงวิญญาณบนปราณโลกให้บรรลุถึงความหลุดพ้นปราณโลกแห่งนั้นเรียกว่าฮิรัญยโลกหมายถึงปราณโลกระดับสูงที่นั่นครูจะคอยช่วยเหลือ รานชีพระดับสูงผู้ซึ่งยังจิตให้เจริญได้แล้วถ่ายถอนกรรมอันละเอียดให้หมดไปจนบรรลุถึงความหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในปรณโลกอีกต่อไปชาวฮิรัญญโลกมีจิตวิญญาณที่พัฒนาขึ้นสู่ระดับสูงแล้วในชาติพบสุดท้ายของมนุษยสยโลกพวกเขาทั้งหลายได้บรรลุฌานอันยังให้มีสติระลึกรู้อยู่พร้อมศั์ เมื่อบิญญาณจะต้องละออกจากร่างในยามที่มรณการมาถึงแล้วท่านก็ได้เล่าถึง ความเป็นไปในฮิรันเยโลกนะคะว่าชาวฮิรันเยโลกได้เผยเคยผ่านการไปเกิดในโลกทิพย์ระดับทั่วไปเช่นปราณโลกมาแล้วท่านบอกว่าเมื่อสรรพสัตว์บนโลกมนุษย์ล้มตายลงวิญญาณเกือบทั้งหมดจะต้องไปบังเกิดในปราณโลกแทบทังสิน้นหน้าที่แห่งนี้พวกเขาได้ทำลายเมล็ดพันธุ์แห่งกรรม ที่ยึดโยงอยู่กับการกระทาที่ผ่านมาในปราณโลกนั้นๆจำนวนมากลงแต่ผู้ที่จะสามารถถ่ายถอนกรรมในปราณโลกได้ก็มีแต่ผู้ที่มีความเจริญของจิตในระดับสูงยิ่งเท่านั้นเพื่อปลดเปลื้องวิ ญ, ญญาณของพวกเขาให้หลุดพ้นจากกรรมที่ฝังอยู่ในปราณากายทั้งหมดออกได้นั้นคันลองแห่งจักรวาลจะดึงดูดวิญ ญ, ญาณเหล่านี้ ให้ขึ้นไปเกิดใหม่ในปราณกายร่างใหม่บนฮิรัญยโลกหรือก็คือสวงสวรรค์ของปราณโลกซึ่งท่านสียุคเตสวนได้บอกว่าท่านได้ขึ้นไปอยู่เพื่อคอยช่วยเหลือพวกเขาในขณะที่ท่านสียุคเตสวนเล่าให้กับท่านโยคานันทาฟัง ทนโยคาันทาก็บอกว่ากระแสะจิตของข้าพเจ้าสามารถปรับเข้ากับกระแสะจิตของอาจารย์ได้โดยสมบูรณ์ภาพที่ท่านบรรยายให้ฟังจึงถ่ายทอดมาสู่ข้าพเจ้าทางคําพูดส่วนหนึ่งและทางจิตที่สื่อถึงกันอีกส่วนหนึ่งด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรับสารที่เป็นความนึกคิดของท่านได้อย่างรวดเร็วติดตามชีวิตโยคีตอนสุดท้าย ที่จะเล่าในห้องสมุดหลังใหม่ตอนหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วถ้าต้องการอ่านเพิ่มเติมนะคะติดตามได้จากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีท่านปรมหังษาโยคานันทะสวัสดีค่ะ b y s e ใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน